ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตำมโบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้ววันนี้เรามาฝึกปฏิบัติฝึกทำจิตให้มีความสงบกันปฏิบัติไปด้วยกันไม่เกิน6 0สนาทีตำมโบฟังวันนี้เราจะมาเจริญพุทธานยสติ คือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนี้เราจะไม่มีคําสอนที่จะให้มาศึกษาทำยังไงปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างไงจะไม่มีคําสอนเหล่านี้เลยเรามาทำจิตให้สงบด้วยการตามระลึกถึง คุ่นของพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติเพราะว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกตถาคตผู้อรหันตะส ม, มาถสมพุทธก็จะไม่ต้องเกิดขึ้นธรรมะคำสั่งสอนอะไรต่างๆก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกยะสมาจะโหพิกเว อิเมตโยธรรมาโลเกสังวิชนติแตสมาตาโตโลเกอุปัชชติอะรหังสัมมาสัมพุโตแตสมาตากธตับปะเวทิโตธรรมวินโยโลเกทิปติเรามาเริ่มต้นด้วยการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ในก้อพุทธโธธรมฝังคุณของพระพุทธชาตินั้นมีหลายอย่างบางคนจจะดูที่ลักษณะภายนอกก็เป็นลักษณะมหาบุรุษสาประการเช่นมีผิวพรรณดุจทองมีเนื้อนุนนาในที่เจ็ดแห่งมีรูปร่างลักษณะโง่เฮงอย่างไรอย่างไร นั่นก็ดูที่ภายนอกแต่คุณของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นตัมบฟังอยู่ภายในมีหลายอย่างด้วยความที่ท่านสามารถจำแนกแจกธรรมะนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งความที่ท่านไปไหนก็มีความดีเกิดขึ้นปรากฏขึ้นที่นั่นด้วยการที่ว่าไปถึงจุดนั้นแล้วก็ทาความดีทางกายทางวาจาทางใจเป็นสุกโต ก็เป็นความดีอย่างหนึง่งความที่ท่านจิตใจปราศจากกิเลสเป็นอรหรันต์หนึ่งอย่างหนึง่งในที่นี้เราให้ความดีทั้งหมดทั้งมวลนั้นแม้รวมอยู่ในข้อที่เรียกว่าพุทโธแล้วตั้งคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจของเราคือนึกพุทโธนั่นเอง นึกพุธโธพุธโทโตพุโทโตอยู่ในใจในช่องทางใจคนนั้นจะมีความคิดนึกหลายอย่างเดี๋ยวก็คิดเรื่องอดีตบ้างเ ว, วันนั้นไปทําอะไรมากับใครยังไงเดี๋ยวคิดเรื่องอนาคตบ้างวันนี้จะไปที่ไหนกับใครยังไงมันมีหลายอย่างเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องสิ่งคของเรื่องการงาน หลายอย่างเหมือนหูเราเนี่ยแหละนะได้ยินเสียงหลายแบบในขณะเดียวกันเช่นคุณฟังดนตรีคลาสสิกแลาก็ได้ยินเชลโล่รมกับไอลินแล้วก็ยังมีเรื่องเป่าอะไรต่างๆหลายอย่างบางคนฟังหมอลำก็ได้ยินเสียงทั้งเสียงแคนเสียงพินบางคนฟังดนตรี String ดนตรีรักดนตรีป๊อปมันก็มีเสียงเบสเสียงกีต้าเสียงอิเล็กทรนเสียงร้องหลายอย่างปนกันมาใช่ไหมเช่นเดียวกันทัง้งังในช่องทางใจของเราเนะี่ยมันมีความคิดหลายอย่างไม่ใช่แค่เป็นเพียงแค่ความคิดมันยังมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเห็นแสงเห็นภาพบางทีคิดเป็นกลิน่น คิดเป็นตัวหนั่งสือคิดเป็นคำพูดมีหลายอย่างความรู้สึกต่างๆด้วยสิ่งเหล่านั้นเรารวมเรียกว่าธรรมรมในที่นี้เราไม่ต้องไปบังคับความคิดนะอย่าไปบังคับความคิดว่าเออเดี๋ยวต้องคิ ด, ดเรื่องนี้หรือไม่คิ ด, ดเรื่องนั้นไม่ต้องแต่ให้จดจ่อไว้ให้สังเกตดู ให้ตั้งใจแทนที่จะ น, นึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มานึกถึงอยู่กับพุทโธโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับหมายถึงไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดหรือไม่ต้องบังคับว่าอย่าคิดอย่าคิดเรื่องนั้นอย่าคิดเรื่องนี้ไม่ต้องเพราะว่าถ้าบังคับแล้วเราจะปวดหัวในที่นี้เราให้นึกถึงเฉย นึกถึงกับบังคับความคิดต่างกันต่างกันตรงที่ว่ามันจะเพ่งเกินไปคือพอเพ่งเกินไปบังคับเกินไปแล้วมันจะเหมือนกับการที่จับนกกระจาบด้วยมือสองมือแล้วก็แน่นเกินไปนกมันก็จะตายได้แต่ถ้าไม่ได้บังคับเลยไม่ได้คอยจดจ่อสังเกตอะไรเลย ปลยไปตามความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยก็เหมือนจับนกกระฉาบด้วยมือสองมือแต่ว่าหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้ตอนนี้เราจะจับจิตของเราให้ได้ก่อนจะมาทำอะไรเนี่ยเพราะว่าความคิดมันไม่ใช่จิตไงเสียงก็ไม่ใช่จิตความคิดก็ไม่ใช่จิตสมองก็ไม่ใช่จิตจิตมันเป็นนามธาตุ ไม่ได้เป็นสิ่งของไม่ได้เป็นร่างกายซึ่งของเหล่านั้นเป็นรูปแม้แต่นามในส่วนที่เป็นความคิดนั่นก็ยังไม่ใช่จิตอีกเพราะว่าส่วนที่เป็นนาำมันก็มีหลายอย่างจิตหนึ่งก็เป็นหนึ่งในหลายหลายอย่างเรื่องของนามความคิดเป็นส่วนของนามอย่าไปเหมารวมเอาเรื่องนามทั้งหมดธรรมารมทั้งหมดว่านึง่งคือจิตของเราไม่ใช่ เหมือนส่วนที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดนั่นก็ไม่ใช่กายของเราทั้งหมดทุบละส่วนที่เป็นกายของเราก็คือการร่างกายของเราก่อนนี้ร่างกายของคนอื่นก็เป็นรูปเหมือนกันท่าตุสีน้ําไฟลมเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่กายของเราก็เป็นกายของคนอื่นเขากายของเราก็คือกายของเราที่อยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงนี้เห็นภาพนี้ได้มันคือกายของเราเทนั้นส่วนที่เป็นน้ํา ที่เรารับรู้ได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นจิตเราจะตามหาจิตจับจิตของเราใช้รูปก็ได้ใช้นามก็ได้ในที่นี้เราใช้พุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเริ่มจากคุณในข้อพุทโธเริ่มจากการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธ ไวในใจเวลาเรามานึกถึงกำวาพุโทโธพุโทโธนั่นคือความคิดนั่นเองเป็นส่วนของน้ำความคิดไม่ใช่จิตตมบฟังเราจะจับจิตมาเพื่ออะไรเหมือนช้างหรือมมาที่คุณจะมาฝึกให้มันได้ให้รู้จักเป็นช้างหรือมมาสำหรับพระราชาจะใช้ทรงใช้นั่งใช้เดินทาง สมัยนี้เขาก็ขับรถเอาใช่ไหมละ่ะรถยนตนี่ดูเป็นสิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีใจเออเรายังบังคับมันได้ใส่เกียร์เดินหน้าใส่เกียร์ถอยหลังสุนัขหมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงค่อนข้างคุ้นจินกับมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีจิตมีใจเรายังเอามาฝึกให้รู้จักรับคำสั่ง รู้จักไปรู้จักมารู้จักรักเจ้าของของมันสิ่งที่มีจิตมีใจเราจะฝึกมันได้เรา้อจับมันให้ได้เสีย ก, ก่อนสัตว์ลิ้ยงเป็นต้นแต่จะใช้ประโยชน์ให้มันสูงขึ้นก็ต้องเอาสัตว์ใหญ่นอยช้างมา้าหรือโคเหล่านี้ต้องฝึกท้งนั้นละ่ะถึงจะนำมาใช้ประโยชน์จากเรี่ยวแรงจากความสามารถของมันได้ จิตเรานี้ก็เหมือนกันตัมบุฟังจะใช้ประโยชน์ให้ดีได้ต้องฝึกมันสะก่อนถ้าจิตเราไม่ฝึกมันก็จะไปตามเรื่องตามราวกันซึ่งก็เหมือนกับหมาแมวแต่ถ้าไม่ฝึกให้คุ้นชินกับเจ้าของคุ้นชินกับคำสั่งมันกัดไปทั่วนะอันตรายนะสัตว์ป่าอย่างนี้เป็นต้น จะเสือสิงโตวพวกนี้ที่มันฝึกได้ยากฝึกไม่ได้เนี่ยเป็นอันตรายต่อคนจิตก็เราที่ไม่ได้รับการฝึกมันก็จะฟาดหัวฟาดหางเดี๋ยวก็ดาก่าคนนั้นบ้างเดี๋ยวก็คิดร้ายกับคนโน้นบ้างเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเรื่องนั้นบ้างคิดมันก็ยังอยู่ในตัวเองยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังได้พูดออกไปมือไม้ขยับไปเั่นเพราะว่าจิตสั่งเท่านั้นเลยนะ นจะพบว่าใจเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวไงมันทำตามที่จิตนั้นสั่งมาผ่านทางช่องทางใจดังนั้นเราจึงต้องฝึกจิตก็รอให้ได้จะฝึกจิตให้รู้จักเออทำสิ่งนี้อย่าทำสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คุณทำได้หมดสิ่งดีก็มีสิ่งไม่ดีก็มีแต่ทำทั้งสิ่งดีทั้งสิ่งไม่ดี ความไม่ดีมันก็เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีที่ทำนั้นมันก็ทำให้ความดีที่ทำไปนั้นมันเศร้าหมองความดีที่ทำดีมีไมมมีมันเศร้าหมองได้เพราะความที่ไม่ดีที่ก็ได้ทำไปด้วยไม่ใช่ทำไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้จักเลือกสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำทางกายทางวาจาและทางใจสิ่งที่ดีก็ทำสิทางกายทางวาจาและทางใจ ในความดีที่เราทำนั้นมันก็จะผ่องใสไม่เศร้าหมองเพราะเราไม่ได้ทําความไม่ดีความไม่ดีเราไม่ทําความเศร้าหมองก็ไม่เกิดสิ่งดีเราทําความผ่องใสก็บริสุทธิผ์ผุดผ่องขึ้นมาอะไรเป็นตัวที่ทําหรือไม่ทําทางกายทางวาจาหรือทางใจนั้นคือจิตของเราตั้งบุฟังจิตของเราเป็นผู้ไปกระทํา คิดนึกความคิดไม่ใช่จิตนะจิตของเราเป็นผู้ไปกระทำความคิดปรุงแต่งไปเลยมันจึงคิดไงมันจึงทำให้ความคิดเนี่ยเหมือนจิตเหมือนตัวเราเพราะว่ามันเข้าไปทำสิ่งนั้นเข้าไปปรุงแต่งสิ่งนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกันกบสิ่งนั้นแต่มันเป็นคนละอย่างกันการพูดก็เหมือนกัน จิตนี่ก็ไปปรุงแต่งให้เกิดการกระทำทางวาจาจิตไปปรุงแต่งให้เกิดการกระทำทางกายการกระทำทางกายทางวาจาทางใจจึงเกิดจากจิตที่ปรุงแต่งออกมาเราจะจับจิตเราจับตรงนี้แหละตั้งบังใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์จากการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งที่ไหนเรารู้ได้เลยว่าจิตมันต้องอยู่ตรงนั้นแน่ แต่การปรุงแต่นั้นไม่ใช่จิตนะมือไม้เราฟาดหัวฟาดหางให้ทานทำความดีทั้งชั่วและดีการกระทำตรงนั้นเกิดจากจิตแต่การกระทำตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่จิตไงคำพูดด้วยนะเราพูดดีพูดชั่วคำพูดนั้นเกิดจากการปรุงแต่งของจิตแต่คาพูดนั้นไม่ใช่จิตความคิดก็เหมือนกันความคิดเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ชั่ว คิดปรุงแต่งได้ปร ะ, ะไรประจิตแต่ความคิดนั้นไม่ใช่จิตแต่เราจะจับจิตได้ก็ผ่านทางการปรุงแต่งเหล่านี้ล่ะบางคนใช้กายเอาใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้จับจิตได้ก็มีกายานุปัสนาสติปธานกายยกตาสติมรณสติอนาปนสติก็ได้ในที่นี้เรามาดูในจิตของเราใช้พุทธานุสติ ใช้ความคิดของเเนี่ยแหละจับจิตของราได้นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธไวในใจเวลาเรานึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธไวในใจเป็นการปรุงแต่งความคิดธรรมดาใช่เหีย่ยนเราใจถามดูฟังเนี่ยอ้ยาเฮ้ยเมื่อวานกินอะไรมาเนี่ยปุ๊บเราจะไปคิดตันดีหรือวะถามว่าใครเป็นคนปรุงแต่งความคิดนั้นจิตขอเราเนี่ยแหละ แสดงว่าจิตมันอยู่ตรงนั้นให้มันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยจิตมันก็เข้าไปปรุงแต่งตามคําถามที่เราชงไปนั่นแนหะเราระลึกตรงไหนไงตุ้มฟังเรานึกถึงเรื่องอะไรตุ้มฟังจิตเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นหมดอนะ่ะความเราเลืกได้ตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการจับจิตของเรา ความระลึกได้นี้คือสติสติแปลว่าความระลึกได้สติกับความคิดนี้ก็ไม่เหมือนกันดงนะสติก็อย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งคนเล่อย่างกันยังไงความคิดใช่ไหมถิ่นคุณเก็บกุญแจไว้ที่ไหนคุณกินอะไรมาไปที่ไหนมา คุยกับใครว่ายังไง้เรื่องราวเหล่านั้นสตอรี่ทั้งหมดสิ่งของทั้งหมดที่เป็นความคิดอยู่ในช่องทางใจของเรานั่นเป็นความคิดเป็นความคิดนะนะเป็นวิตกเป็นวิจารณการที่ไประลึกนึกถึงความคิดนึกเหล่านั้นได้ความระลึกได้นี้นั้นน่นนะคือสติผู้ที่เข้าไประลึกถึง นึกถึงความคิดนึกเหล่านั้นคือจิตของเราเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเรามานึกถึงคำว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่ใช่จิตนะพุโทโธเป็นคำคำหนึ่งที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ที่ถ้าคุณเข้าใจความหมายของคำนี้มันจะลึกซึ้งลหละสมมติไม่เข้าใจความหมายนี่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอะไรที่เราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เคยเรียน ม, มาก่อน ก็เหมือนเด็กน้อยเนี่ยฟังพ่อแม่พูดคลอดโปร่ออกมาจากกานมารดาอา้าวพ่อแม่ก็เลี้ยงดูมาเพราะแบบเป็นเด็กเฮ้ยก็เสียงอะไรเนี่ยก็พูดว่าไงเนี่คือมันไม่รู้ไม่เข้าใจเขาฟังเป็นแค่เสียงเฉยๆจิตของเด็กก็ไปอยู่กับเสียงนี้มีเสียงอะไรก็ไปนึกถึงเสียงนั้นโดยที่ก็ยังไม่รู้ความหมายในเสียงนั้นในคพูดนั้นต่างๆด้วยซ้า ความที่จิตไปนึกถึงเระลึกถึ ง, ถงได้นั้นนะ่ะคือสติสติอยู่ตรงไหนจิตมันก็อยู่ตรงนั้นนี่สติจึงเป็นเครื่องมือที่จะจับจิตก็ร่อยได้ในที่นี้เราให้สติเกิดขึ้นจากขมาพุทธโธ ซึ่งเป็นคุณข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าเราจึงเรียกวิธีนี้ว่าการเจริญพุทธานุสตินึกถึงพุทธโธแล้วความระลึกได้นั้นคือสติสติจิตและพุทธโธจะอยู่ด้วยกันเหมือนคนที่เคยฝึกทำปฏิบัติอนาปานาสติมาก่อน ลมหายใจจิตและสติอยู่ด้วยกันแล้วในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธเนี่ยคุณจะรู้ลมหายใจไปด้วยหรือไม่ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นคนละอย่างกันไม่จำเป็นว่าต้องทำด้วยกันหรือไม่จำเป็นว่าต้องอย่าทำร่วมกันรือว่ามันคนละอย่างนะจะทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่มีปัญหา เพราะว่าคนที่ฝึกทำอนาปานัสติแล้วตอนที่คุณรู้ลมหมยใ่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีความคิดนึกเรื่องอื่นเลยเหรอด้ค่คิดเรื่องอดีตบางอนาคตรบงังหรือก่นึกถึงพระพุทธเจ้าบางนึกถึงหมวดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งบงังอา้าวนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสตินึกถึงหมวดธรรมะก็เป็นธรรมานุสติปะนึกถึงความตายก็เป็นมรณสติบะก็ในขณะที่คุณกอดรู้ลมหายใจด้วยนั่นนะมันก็ไปด้วยกันได้แต่ไม่ใช่ว่า อันหนึ่งทำแล้วอีกอันหนึ่งอย่าทำทำไม่ได้โอ้ยทำไมใช่ของจิตมันจะไปนะมันก็เรื่องของมันแหละพอดีเราจะไปกะเกณฑ์ น, นี่ถ้ายังไม่ชํนานาญมันยังทําไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าจึงให้วิธีไวหลายอย่างไงต้งง้มวังให้วิธีไว้หลายๆอย่างให้เราเลือกเอาที่จะโฟกัสเริ่มสนใจใส่ใจเอาตรงไหนก่อนเอาตรงไหนเราเข้าใจทำก่อนได้เราเอาตรงนั้นเลย ในรายการธรรมะรับรุนช่วงของจิตวิเวกก้าปรจชาก็ น, นาเสนอสิ่งนี้แอละวันนี้พูดถึงเรื่องบุตรานุสติตอนก่อนก่อนพูดถึงเรื่องอานาปานาสติบางทีก็เอาเรื่องมารณสติบางทีก็เอาเรื่องอุปสมานุสติเอาทุกอย่างฝึกไปเลยทาให้มีความชมนาญวันนี้เราเอาพุทโธแล้วในขณะที่คุณนึกพุทโธไม่ใช่ว่า บางทีมก็ไม่มีความคิดเรื่องธรรมออออะอื่นๆหนอะโอท่านเทศเรื่องปฏิจจสมุปบาทคิดไว้ตั้งแต่ตอนยังไม่ได้ไปสอนปัญจวัคคีย์ด้วยซ้ําเออนั่นคือเป็นธรรมานุสติปะเรื่องธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทเอาแล้วเนี่ท่านไปสอนคนนั้นเราก็เดินปางไปที่เนี่เอาเนี้ก็บเรื่องพุทธประวัตินี่เราก็กลับมาพุทธานุสติอีกในขณะที่เรากําลังคิดเรื่องนี้อยู่ เ, เดี๋ยวก็มีความรู้สึกไปในกาย อั น, น, นกกายคตาสติคือได้หมดอ่ะในที่นี้เราโฟกัสที่จุดเดียวก่อนเอาพุโทโธก่อนนี่ไงนึกพุโทโธพุโทโธในใจไม่ในใจใเป็นการบังคับกูเข็นแต่ทำให้เป็นธรรมชาติอย่าปล่อยปละละเลยให้จิตไปตามความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนึกก็นึกถึงเรื่องนั้นนึกก็นึกถึงเรื่องนี้ล้กก็นึกถึงเรื่องนอนมันหลายอย่างเกินไปเอาอย่างเดียวพอตอนนี้ นึกถึงพุโทโธเออยื่นมามันธรรมดาอย่าไปบังคับว่าอย่าคิดไม่งั้นมันจะเพ่งเกินไปเพ่งเกินไปมันจะปวดหัวให้แบบพอดีๆเพ่งพอประมาณพอประมาณสับตรงนี้ท่านใจกรรมชาญชอบกระเชยสละานอนหนูชาญหมายถึงการเพ่งการเพ่งไม่ใช่บังคับ แต่การเพ่งเป็นการเอาใจจดจ่อในคำว่าพุโทโธปรุงแต่งขึ้นมาเลยพระทุกอย่างมันคือการปรุงแต่งอยู่แล้วมาร์กนี่ตัมบูฟังศีล ส, สมาธิปัญญามันก็คือการปรุงแต่งแบบหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งที่ทําการปรุงแต่งให้ระงับไปผู้ละกงงงๆใช่ไหมการปรุงแต่งที่ดีก็มีการปรุงแต่งที่ไม่ดีมันก็มีไงล่ะ อย่างการมีความทะยานอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้นัน่นะก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันคุณอยากได้เงินทอง ม, มากมากก็ทำงานไปคุณอยากได้ตำแหน่งมากมากก็ทำงานแบบนี้ไปคุณอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ครองคุณก็ปรุงแต่งแบบนั้นไปต้องบูดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ก็คือไปการจีบกันไปการเกี่ยวพาราศีกัน การปรุงแต่งแบบนี้ก็ทำให้มันมียากุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเพลินเกิดขึ้นมีราคามีโทษะมีโมหะมากขึ้นปรุงแต่งแบบนี้ก็มีแต่การปรุงแต่งไปตามระบบของศีลสมาธิและปัญญาเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้ราคาโทษะและโมหะมันลดลงการปรุงแต่งแบบนี้สีดี เพราะว่าราคาโทสะโมห์มเบาบๆงไงสิ่งที่เป็นอากุศลธรรมลดลงเพราะการปรุงแต่งประเภทหนึ่งการปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งกลับทําให้ราคาโทสะโมหะอากุศลธรรมเพิ่มขึ้นอย่าเมาอย่าเมาแต่ต้องรู้จักแยกแยะอย่าไปเมาว่าเอ๊ะคิดนึกปรุงแต่งอะไรมันไม่ดีทําไมต้องให้มาปรุงแต่งงี้อ้าวอ้าวอ้ อ, อันนี้ไม่เข้าใจนี่ ว่าศาสนานั้นคือการแยกแยะต้องรู้จักแยกแยะสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่เกิดประโยชน์ออกจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่รู้จักแยกแยะเหมารวมหมดพวกนี้สร้างปัญหาเพราะปัญญาไม่เกิดปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการไตรตรองไกรกรุนโดยแยกกายซึ่งนั่นก็คือการต้องรู้จักแยกแกออกมา นึ่งในกระบวนการการแยกแยะนั้นคือการตั้งสติของเราขึ้นสมอไปฝั่งเรามันึกถึงพุโทโธพุโทโธ เ, เป็นการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่ทําให้ความคิดนึกอื่นๆที่เราจชอาไปใจจดจ่อมันไม่ดีบ้างมันเจ้าหมองบ้าง ม, มันลดลงเบาบางลงการปรุงแต่งที่ไม่ดีน้อยลงเพราะมีการปรุงแต่งที่ดีมากขึ้น เพิ่มเติมขึ้นจิตของเราในตูวฟังเราตรีตรึกคิดนึกไปทางไหนที่มันไปทางนั้นนะจิตมันไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังนะเรามาตรีตรึกอยู่กับพุทธโธพุทธโธนี่สติของเราจะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติทำไมงนั้นก็เหมือนมันขยายนี่แหละคุณจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งใดปรับโฟกัสให้ถู แสงแดดจ่องมานี่มันพลังงานรวมกันอยู่ที่จุดจุดเดียวกระาดาษไหม้ขึ้นมาได้เลยนะจุดหัวไม่ขีดได้เลยนะรถจอดอยู่ในที่กลางแดดถ้ามีขวดน้ำหรือกระจกหรือสิ่งอะไรที่มันจะรวมแสงขึ้นมาได้บางทีไฟติดขึ้นมาในรถได้เลยนะหลักการเดียวกันนะทุกฝังว่าถ้าเราสังเกต จุดใดจุดหนึ่งลงไปจิตของเรามันก็จะมีรวมไหลคล้อยเคลื่อนอยู่ตรงนั้นจิตเราไปรวมอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังขึ้นมาเช่นเดียวกันเรามานึกถึงพุทธโทธพุทโดตอนเนี้ยความคิดนึกอื่นิดมีไหมมีแต่มันจะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงเรามาปรุงแต่งตามกระบวนการของพุทธานุสติเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้ สติมีกำลังเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้ตัณหาราคาความไม่รู้อวิชชาอ่อนกำลังการปรุงแต่งที่เรามาตั้งสติไว้ทำให้สมาธิเรามีกำลังท่านจึงแบ่งส่วนของมากนี่นะตัณหาเนี่ท่านบอกว่าเอ้ยอย่าทำให้มันมากต้องกําจัดมันออกไปแต่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่โอ้ทำให้มาก ถ้าไม่มีต้องสร้างให้มีขึ้นมาแต่ทั้งหมดทั้งเส้นเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันตัณหาก็เป็นการปรุงแต่งมักแปดก็เป็นการปรุงแต่งมีลักษณะไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนกันแต่เหตุปัจจัยไม่มีมันก็ดับไปเหมือนกันเป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่างๆของผลคนละอย่างกันแต่มันก็มีผลได้นะ่ะมีเหตุแล้วก็ต้องมีผล เป็นลักษณะอนัตตาเป็นลักษณะไม่เที่ยงเป็นลักษณะที่เกิดดับเหมือนกันตรงนี้เลยแต่ประโยชน์โทษที่เกิดนั้นต่างกันผลที่เกิดขึ้นถ้าเป็นโทษอนันตนาละผลที่เกิดขึ้นถ้าเป็นประโยชน์อนันตมักแปะละแล้วโทษหรือประโยชน์นี่มันแล้วต้คนมอง้วยนะ ถ้าคนไม่ดีมองไอ้เรื่องไม่ดีไม่ดีที่เกิดขึ้นบอกเอ้ยนี่ไงความไม่ดีเยอะขึ้นนะเป็นประโยชน์ประโยชน์เพราะว่าตัวเองมองอาคุศลธรรมว่าเป็นของดีก็จึงคิดว่าไอ้อาคุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันดีไอ้ความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ผู้ตัดสินใจผู้มองด้วยผู้มองผู้ตัดสินใจผู้ดูนั้นจึงต้องฉลาดพอสมควรคือ เมือนใช่แคดูในช่วงเวลาสั้นๆปัจจุบันนี้แต่ต้องดูในเวลาต่อมาแล้วก็ดูในเวลาต่อมาต่อมาอีกผลทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวผลทั้งกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็ทั้งสองฝ่ายด้วยมันต้องดูให้ครบถ้วนรอบด่านบางอย่างให้ผลดีอ่ะถึงอย่างขโมยเงินงี้ยนะ หรือด่าคนอย่างเงี้ยนะมันสะใจยอยู่ปัจจุบันไงคือคำดา่านี่หรือได้มีเงินทองใช้ปัจจุบันไงส่วนตัวแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนบนคนอื่นมีผลที่ให้เกิดทุกข์ในระยะยาวระยะกลางอ่ะไม่ดีนี่มีโทษที่แอบแฝงในสิ่งที่เห็นว่าดีนั้นแต่ถ้าคนฉลาด คนฉลาดมันดูยาวๆดูไกล้ๆดูทั้งตัวเองและผู้ขืนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ฉลาดเนี่ยจึงบอกไว้ว่าเอา้านี่ไสิีลสมาธิปัญญานี่ลองทํามาแล้วไม่ใช่แค่คิดนึกตรรยตรองใครครวนเท่านั้นทดลองทํามาหลายพบหลายชาตินี่พบว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วจึงบอกเอาไว้ว่าศีล ส, สมาธิปัญญานี่ให้ทําให้มากเลย มีประโยชน์ทั้งกับตัวเองผู้อื่นและทั้งสองฝ่ายมีประโยชน์ทั้งในเวลาปัจจุบันต่อมาและต่อมาอีกเหมือนกันตรงที่ว่ามันก็เป็นการปรุงแต่งที่ต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหมือนกันคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะทังนะจะมาปฏิบัตินั่งจะมาที่หรือเอาแค่ง่ายๆรักษาศีลเนี่ยเขาทำไม่ได้หรอกศรัทธาก็ต้องเป็นเงื่อนไขปัจจัยมีเหตุ ในการที่จะให้ลงมือทำตัณหาก็เหมือนกันนะตัณหาก็มีเหตุที่ว่ามันจะต้องเกิดตัณหาถ้าไม่มีความเพลินความพอใจตัณหามันเกิดไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีความรู้สึกสุขทุกข์นะมันถึงจะเกิดตัณหาให้อยากได้หรืออยากที่จะไม่ได้มันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยทีนี้เหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันมาปรุงแต่งตรงนี้ล่ะที่ผมจะปรุงแต่งเป็นงไงอะ แต่ปรุงแต่งไปตามลักษณะของตัณหาสวยไปอักุศรธรรมเกิดในที่นี้ก็จึงจัดให้มีรายการธรรมะโอ้โหเยอะแยะไปหมดประเทศไทยแล้วนี่ออนไลน์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมากเอ๊แต่ทำไมคนไปอยู่ตามพวกโซเชียลมีเดียกันซะมากที่ให้เกิดความเพลิดเพลินใช่หละ่ะหรือเว็บโป้เว็บพนัน เว็บหลอกลวงเออคนไปอยู่คนตรงนั้นส์มากเอาเนั่นก็ประวัตมันเกิดประโยชน์ระยะสัน้นแต่ดูไม่อรอบคอบไม่รับรู้อย่างที่ว่ามันก็หลงไปได้เพราะอาศัยสุขเวทนานําไปไงเรื่องลอ่อเรื่องลวงเรื่องที่จะมาหลอกนมันเยอะในที่นี้เราจึงต้องระวัดระวังช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีโปรโมชั่นตั้งประฟัง ที่พระบุทธเจาอุบัติขึ้นตอนนี้มาบอกคำสอนเอาไว้ว่าสิ่งไหนควรระวังสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนควรทำแจกแจ้งเอาไว้ให้ที่มีโปรโมชั่นช่วงนี้มีคำสอนยังหลงเหลืออยู่ส่วนที่สูญหายไปก็มีส่วนที่เข้าใจผิดก็มีเหลืออยู่เท่าที่มันเหลืออยู่ในตำราคำมพีร์นี่แหละ เหลืออยู่แล้วคุณจะเอามาทำเอามาปฏิบัติไหมในที่นี้เรามานึกถึงพุทธโอพุทธโทไวในช่วงโปรโมชั่นเช่นนี้มีคำสอนอยู่นี้อยู่ไม่กี่พันปีตูบูฟังก่อนที่คนจะลืมกันไปหมดช่วงเวลานี้มันอาจจะห้าพันปี6 0พันปีเจ0 0ปีหรืออาจจะไม่ถึง 5,000 ันปีก็ได้นะ ที่บอกว่าอายุศาสนาจะมีห0าพันปีเขาประมาณการเฉยๆระวัอ ง, างอาจจะยาวกว่านั้นอาจจะสั้นกว่านั้นอยู่ที่ว่าผู้คนเนี่ยจะปฏิบัติหรือไม่และอีกประการหนึ่งที่บอกว่าอายุศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าศาสนาเนี่ยมันจะเสื่อมไปนะคือธรรมะยังงมันก็ไม่เสื่อมแล้วแต่ที่หายไปอายุมีแค่นี้เพราะผู้คนลืมกันไปลืมกันไป ลืมออกไปจากจิตใจของกลุ่มคนกลุ่มคนโลกนี้มีกี่คนน่ะเขาบอกหลายพันล้านแต่ว่าแปพันล้านเ้าพันล้านหรือหมื่นล้านคนในหมื่นล้านคนเนี่ยยังมีสักคนหนึ่งที่จำจาได้นี่หมายถึงคุณออกมาปฏิบัตินะจำได้นี่คือคุณมีสตินะมันยังมีการปฏิบัติทางใจถ้ามีการปฏิบัติทางใจแล้วเราก็จะเห็นได้ด้วย ทางตาทางหูหรือทางกายทางวาจาเอามีการทำมีการปฏิบัติอยู่เอา น, นันศาสนายังมีอยู่แต่ถ้าทุกคนในโลกลืมไปหมดเลยไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจากคําสอนแล้วหนึ่งคือโสนาบันิผลสกทาคามิผลอนนาคามิผลถึงอรัตผลไม่มีผลแล้วเพราะว่าคนลืมกันไปหมดแล้วอันนั้นคือหมดยุคศาสนาแต่ เหตุและผลของการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาให้เกิดผลเป็นส่นหนาปฏิผลเป็นต้นเนี่ยมันยังมีของมันอยู่เพียงแต่ลืมมองไปจากใจใจของคนความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันมีแต่ถ้าเหตุหมดไปผลมันก็หายไปที่ว่าตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเพราะเหตุและผลเหล่านี้ยังมีอยู่ไงต้มบฟังยังมีคนปฏิบัติตามมักแปอยู่ ศาสนายังไม่เสื่อมยังมีอยู่ไอ้คนที่ไม่ปฏิบัติตามมักแปดมีไหมก็มีดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวตามเว็บไซต์ก็ได้คนที่ฆาตกรรมบ้างโกงบ้างได้รับผลเป็นอย่างไรก็มาลงดูเนี่ยมันมีในโลกนี้ที่ยังมีคําสอนเหลืออยู่เนี่จึงบอกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นไงจำไว้โปรโมชั่นที่ยังมีคําสอนหลงเหลืออยู่โปรโมชั่นเนี่ยไม่กี่พันปีนี่แหละ แลช่วงเวลาอื่นนะที่ไม่มีผลและเหตุที่ให้ไปสู่นิพพานลือหมดแล้วเนี่ยนึกช่วงเวลาที่บอกโอ้มีการเบียดเบียนกันเป็นวงกว้างแน่นอนท่านผู้ฟังลองคิดถึงโลกที่ไม่มีศีลเลยดิไม่มีศีลเลยนะทุกคนแบบฆ่ากันนะทุกคนแบบเบียดเบียนกันอนะมันจะไม่น่าอยู่กันไหนอะเอาไม่ต้องทุกคนหลอกเอาแค่ว่า ครึ่งเดียวโอโ้ไม่ต้องครึ่งเอาสิบเปอร์เซนตสิบเปอร์ซเนี่ยก่อความวุ่นไวายได้ไม่จบไม่สิ้นนะที่ว่าทําไมมีศีลเลยสักข้อเดียวนี่แต่ทุกวันเนี้ยเอาลองดูถ้าโลกเปรียบเทียบดูนะกับโลกที่มีศีลไม่ต้องเอาถึงสมาธิปัญญาเอาแค่ศีลอย่างเดียวร้อยเปอร์เซนของทุกคนบนโลกเนี้ยมีศีลหมดเลยเนะี่ยโอโหมันจะน่าอยู่ขนาดไหน ตำรวจอายการศาลนี่ตกงานไปเลยนะเพราะว่าคดีความมันจะเหลือแค่ 2% 1% 9เองตกิของคดีความที่อยู่ในศาลนี้ทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลน้าทั้งหมดเลยมันจะมีเกี่ยวข้องกับไม่ขาตกรรมก่อโกหกกันหรือก่อผิดเรื่องชู้สาวแข่งแย่งสมบัติเรื่องพวก น, นี้นั่นะ ที่ว่าถ้าเราเอาความโกหกออกไปเอาการผิดศีลออกไปหมดได้เลยเนี่ยก็ดีความเหนียวหหายไปมากเลยผู้เรื่องนี้ต้องการให้เปรียบเทียบถึงว่าช่วงเวลาที่โลกมืดคือไม่มีคำสอนหลงเหลืออยู่เรื่องศีลนี่คนลืมไปแล้วเหมือนมีแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนหลงเหลืออยู่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องศีล ยังเรื่องสมาธิยังเรื่องปัญญาด้วยคนที่ผิดศีลก็มีคนที่ทำถูกศีลก็มีใช่ไหมละ่ะแต่สัดส่วนเนี่ยเออมันยังมากกว่ากันอยู่ผลเดียวกันที่ทำถูกศีลบางครั้งบางคราวก็อาจจะทำผิดศีลบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยดูตัวเราอย่างนี้เป็นต้นเออรักษาศีลห้าโดยครบต้วนดีไหมบางคนก็ได้ร้อเเซ็ตลอดทั้งปีใช่ไหมบางคนก็อาจจะผิดจุดนั้นจุดนี้นิดหน่อย เออมีบ้างนิดหน่อยมันยังดีไงท่านผู้ฟังมันยังดียังมีคำสอนที่อยู่ในจิตใจของเราให้เราเกิดศีลต่อไปตอนนี้เราฝึกสมาธิอยู่นี่ทำจิตให้มีความสงบนี่มาตั้งระลึกถึงพุทธโธนี่ตั้งสติขึ้นเพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นการปรุงแต่งที่ทาให้อกุศลธรรม มีราคะโทสะโมหะมีตัณหาความทยานอยากมีความไม่รู้กับวิชามันระงับไปมันลดลงไปเอาไปจากไหนสิ่งพวกนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราจิตของเราเนี่ยมันก็เก็บสะสมทั้งกุศลและอกุศลเอาไว้เราจะชำระสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตเราต้องจับจิตของเราให้ได้ ในที่นี้เราใช้พุโทโธตั้งขึ้นนึกถึงพุโทโธนึกถึงพุโทโธความระลึกนั้นคือสติผู้ที่จะเข้าไประลึกนั้นคือจิตจิตเรามานึกถึงระลึกถึงพุโทโธความที่จิตมันจนน้อมคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์ความคิดต่างๆไปตามเสียงตามภาพจะเบาบางลงจิตเราไม่ไปอยู่ตรงไหน สิ่งนั้นก็อ่อนกำลังจิตเราไม่ไปตามความคิดอื่นๆ อ, นอดีตอนาคตคนนั่นคนนี้เรื่องให้เกิดความอยากเรื่องให้เกิดอกุศลความอยากอากุศลสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เบาบางลงมีอานาจน้อยลงอานาจที่มันจะมาเหนือจิต น, นั้นจะลดลงจิตเรามาจดจ่ออยู่กับสติระลึกถึงพุทธโธสติก็มีกาลังมากขึ้นสติมีกาลังมากขึ้นแล้ว เหมือนเสาไงตูบฟังที่เป็นเสามีความมั่นคงแล้วผูกจิตก็รอบไปตรงนี้แล้วเหมือนเว่นขยายไงตูฟังพี่อยู่นิ่งๆโฟกัสรวมแสงเอาไว้ทำให้จิตนั้นนะ่ะรวมมาที่นี่รวมมาที่นี่จิตนั้นจะมีความสงบระงับเป็นอรมันเดียวนั่นก็คือเป็นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามี สติแต่บอกไว้ว่าบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สติกับสมาธิก็ไม่ใช่อันเดียวกันนะสติก็อันหนึ่งสมาธิก็อย่างหนึ่งสติคือควา ม, มาระลึกได้ในที่นี้คือนึกถึงพุทโธส่วนสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตไม่ได้แยกออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ปรุงแต่งมารวมกันอยู่ที่นี่อารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีความคิดนึกอื่นเลยเพราะความคิดมันไม่ใช่จิตความคิดเป็นธรรมารมมันก็มีมาตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาแต่จิตคุณจะเข้าไปเกลือกกล้วเผลอเพลินตามความคิดนั้นไหมถ้าไปคือไม่มีสติแล้วแต่ถ้าไม่ไป รับรู้ได้อยู่เฉยๆแต่ไม่ไปตามความคิดนั้นเอา้าจิตเป็นสมาธิสิแสดง ว, ว่าการรับรู้คือวิญญาณกับการระลึกได้คือสติก็คนละอย่างกันอีกนะสติคือความระลึกได้ในที่นี้เราตั้งไว้อยู่กับผูโดใช่ไหมแต่การรับรู้ที่ท่านผู้ฟังเช่นรับรู้เสียงของกาบเจา้ามีความคิดนึกอื่นต่างๆรับรู้ได้การรับรู้ได้นั้นคือวิญญาณ การรับรู้นั้นไม่ใช่สติเอาแล้วที่เรามารู้พุทโธพุทโธเนี่ยมันไม่มีวิญญาณมีวิญญาณเราก็รู้อยู่กับพุทโธนี่ไงมีหมดอ่ะไม่ว่าจะความคิดนึกเรื่องใดคุณรับรู้ได้เพราะมันมีวิญญาณอยู่แล้วแต่ในที่นี้แทนที่จะให้จิตเรามันไปวิญญาณนั้นนั้นโอ้วิญญาณนี้แล้ววิญญาณโ น, น้นทั้งความคิดนี่สี่สิแบบทั้งเสียงนี่หแบบอย่างทั้งภาพอีกเจดแบบอย่างทั้งในกายอีก32แบบวิญญาณมีหมดนะวิญญาณมีหมดนะ แต่แทนที่จะให้จิตมันไปนึกถึงหลายๆอย่า ง, างนั่นแหละไม่ไม่ไ ม, มเอาอันเดียวในที่นี้เลือกสติจึงเป็นการเลือกเลือกด้วยว่าเอาฉันจะนึกถึงพุทโธนี่ไอ้ที่ว่าจะมานึกถึงเลือกได้นี่นคือใครจิตนั้นแล้วไปเลือกจิตมันก็จึงเกิดสติขึ้นมาตรงนี้นแต่บวเลือกที่จะนึกถึงพุทโธในการรับรู้คือวิญญาณหลายๆอย่าง ที่เกิดขึ้นตั้งจึงเปรียบเทียบไว้เข้าใจง่ายๆว่าวเหมือนเสามีเชือกหกเส้นผูกอยู่ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกกับสัตว์หกชนิดมีลิงมีงูมีจระเข้มีสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านปลาก็นกสัตว์เหล่านี้มันก็พยายามที่จะ กลับไปสู่ที่เที่ยว ท, ที่หากินของเขาของเขานกก็จะบินขึ้นฟ้าสุนักบ้านก็จะเข้าไปในหมู่บ้านสุนักจิงจอกก็จะไปป่าช้าจระเข้ก็จะลงน้ำงูก็จะเข้าจอมปลวกลิงก็จะไปป่าใหญ่เหมือนการรับรู้ของเรามันมีเยอะไปหมดตูมฟังทั้งเสียงทั้งภาพอย่างที่ว่าในที่นี้เราไม่เอาท้องหกอย่างเลย คือเราเอาที่เสาหกอย่างนี้คือท่านให้เหลือน้อยๆเข้าใจง่ายๆแล้วนะแทนที่เราจะไปรับรู้วิญญาณเรื่องนั้นเรื่องนี้ความคิดนึกหลายๆอย่างเสียงหลายๆอย่างเนี่ยไม่เอาเลยเลือกอันเดียวตรงไหนตรงที่จิตของเราอยู่จิตอยู่ตรงไหนเราเลือกเอาในที่นี้เราเลือกพุทโธษวัญก่อนๆเราใช้อานาปานสติบ้างเราใช้วิธีนั้นที่ดีนี่บ้างวันนี้เราเลือกเอา สติจะมีการเลือกได้ด้วยเป็นการที่เราเลือกว่าเราจะจดจ่อสนใจใส่ใจระลึกถึงนึกถึงอยู่ตรงนี้ธรรมชาติแบบนี้ตําฝั่งที่ดุลบอมมันคือสติเนี่เป็นทางเลือกได้นี่เป็นสิ่งที่เราสนใจใส่ใจได้นี่เอาใจจดจอนึกถึงได้มันจะไม่เกิดการแยกแยะได้ เป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตเป็นอรมณ์เดียวนั่คือเราจับจิตของเราให้ได้แล้วพอเราจับจิตของเราได้เหมือนหุบสัตว์หชนิดไว้อยู่กับเสาให้มันได้เสาเนี่คือสตินะเสาเนี่คือสติเจ้สัต์ทั้งหกชนิดเนี่ยมันหมายถึงการรับรู้ติ่ไปตามเสียงตามภาพช่องทางต่างๆเพราะเราจับจิตของเราได้ด้วยสติให้จิตอยู่เป็นอรมณ์เดียวเรารักษาไว้ให้ดี รมฟังรักษาไว้ให้ดีคือมันไม่ได้เป็นก้อนเป็นอะไรนนจิต น, นะมันเป็นนามันพร้อมที่จะจากรอไปได้เสมอถ้ามีสิ่งอะไรมากระทบมาดึงไปมันจะจากเราไปได้ในที่นี่เราประครับประคองอไว้ให้ดีจับมาได้แล้วทำยังไงเหมือนจับช้างหรือมา้ามาแล้วนัว่นแหละให้มันทำอะไรอะ่ะเราก็ให้ฝึกให้มันรู้ความไง ให้รู้จักยกให้รู้จักย่อให้รู้จักเหยียดให้รู้จักย่างให้รู้จักเดินหน้าให้รู้จักถอยหลังต้องรู้ความไม่ได้ความที่เราต้องสอนให้จิตของเรารู้คือธรรมชาติสามอย่างนี้ทั้งบง่วงพระพุทธเจ้าเองท่านเกิดมานี้ท่านแก้ปัญหาสามอย่างนี้เท่านั้นเลยนะไม่งั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติมาหรอกอุบัติหมายถึงเกิดขึ้น มีพระพุทธเจาเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่ไม่ว่าจะยาขนาดไหนการประดิษฐ์อาวุธรุ่นใดๆหรือเทคโนโลยีเบรกทรูแบบไหนก็ตามเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่และความตายไม่ได้ความเกิดคือชาติความแก่คือชราความตายคือมรณะ ความเกิดความแก่ความตายมีอยู่ที่ไหนพระพุทธเามาอุบัติขึ้นก็เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่และความตายนั้นนั่นเองมีหมดนะทุกฝัง่งตั้งแต่สัตว์นรกนู้นลึกจนถึงอเวจีมหานรกจนถึงนู้นสูงสุดสวรรค์ชั้นพรหมขณะรูปปรรมทั้งมีกายไม่มีกายก็มีการเกิด มีความแก่และมีความตายเหมือนกันหมดมันอาจจะสั้นยาวมากน้อยแตกต่างกันอย่างเช่นเทวดานี่ก็จะมีอายุยืนหน่อยความเกิดกับความตายมันห่างกันมากในชาตินั้นความแก่ก็อาจจะปรากฏนิดเดียวสําหรับมนุษย์เฮ้ยบางทีมันสั้นมากเด็กเกิดมาสามเดือนตายก็มี ดูที่ความเกิดกับความตายห่างกันแค่สามเดือนบางคนก็ร้อยปีแต่คนที่อายุร้อยปีโอ้ความแก่ปรากฏระหว่างนั้นเยอะมากแกงอมบางคนก็นอนติดเตียงเดินไม่ได้บางคนเดินหลังค่อมมีความเกิดความแก่และความตายปรากฏให้เห็นอยู่ที่ใดจุดนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละใช้แก้ปัญหาที่นั้น ที่ท่านมาอุบัติขึ้นบนโลกมนุษย์เพราะเป็นจุดต่ำสุดของการที่มีความเกิดความแก่และความตายที่พร้อมจะแก้ปัญหาได้ต่ำไปกว่านี้มีไหมเกิดแก่ตายมีสารโรคนี้ไงแต่ทำไมไม่ไปอุบัติที่นั่นล่ะพระพุทธเจ้าเพราะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้ศีล ส, สมาธิปัญญาจะปรากฏขึ้นที่นั่นน้อยน้อยจนกระทั่งว่าไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความตายได้ เอาถ้า ไ, ไม่ไม่ไปเกิดบนสวรรค์บรสวรรค์ก็มีนี่ความเกิดความแก่ความตายบนสวรรค์ก็ทําศีลสมาธิปัญญาได้ได้ไงสูงสูงไงเขาทำได้อยู่แล้วเอาถ้าสูงสูงทำได้แล้วพวกต่ำต่ำอ่ะไอพวกต่ำต่ำก็จะมองว่าเฮ้ยพวกสูงสูงทำได้ต่ําๆก็จะทําไม่ได้ไม่จําเป็นเลยเอาให้ต่ําที่สุดที่จะทําได้นี่คือโลกมนุษย์จำวั ง, งพระบรมชาจึงมาอุบัติบนโลกมนุษย์นี้จุดมุ่งหมายนะ ตรงนี้เลยคือความเกิดความแก่และความตายธรรมชาติสามอย่างนี้ถ้าไม่มีที่ไหนคำสอนพุทเ้าไม่ต้องไปอยู่ที่นั่นหรอกไม่จาเป็นอยู่ในนิพพานไงนิพพานไม่มีความเกิดปรากฏไม่มีความแก่ปรากฏไม่มีความตายปรากฏในนั้นไม่มีนะคำสอนของบรมีุทธ้าศีลสมาธิปัญญาไปอยู่ที่นั่นไม่ได้ในที่นี้หมายว่าตรงไหนมีปัญหานะคำว่งตรงนั้นเนี่ย มันต้องใส่ทางแก้ลงไปต้องใส่โซลูชันลงไปตรงไหนที่เราไม่มีศีลนะตรงนั้นแหละที่มันต้องทําศีลมันเกิดตรงไหนที่มันไม่มีสมาธินะเช่นจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราไม่สงบตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละที่เราต้องใส่สมาธิใส่สติเข้าไปเนี่ยตรงไหนมันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจฉันงงอยู่เนี่ยนั่นแหละตรงนั้นแหละที่คุณต้องใส่ปัญญาลงไปตรงไหน มีปัญหาก็ต้องเอาทางแก้ปัญหาลงไว้ตรงนั้นตรงไหนมีความยึดถือจะตัดความยึดถือได้ก็ตรงนั้นตรงไหนมีทุกข์จะละความทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้ต้องตรงนั้นนะการพ้นทุกข์อยู่ตรงนั้นนะทางแก้ปัญหาอยู่ตรงนั้นนะก็ตรงจิตเรานี่ยแะตมบวชเพราะจิตเราเดี๋ยวมันก็เศรหมองก็ได้จิตเราเดี๋ยวมันก็ผ่องใสก็ได้ จิตเราที่ว่าเศร้าหมองก็ได้ผ่องใสก็ได้ก็ความเศร้าหมองเกิดขึ้นความผ่องใสเกิดขึ้นความเศร้าหมองดับไปความผ่องสใสดับไปนั่นก็คือการเกิดนั่นคือการตายของทั้งความเศร้าหมองของทั้งความผ่องใสเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นตรงไหนดับไปตรงไหนพ้นจากการเกิดพ้นจากการดับต้องอยู่ตรงนั้นดับไป น, นี่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะ มันไม่ใช่เพราะว่าดับไปนี่เราหมายถึงตายจะพ้นจากการเกิดไม่ใช่ตายแต่จะให้ความเกิดดับจะให้ความตายดับดับตรงนี้ต่างหากตรงไหนเกิดนั่นนะมีมารณะเกิดขึ้นมีการเกิดเกิดขึ้นจะให้การเกิดดับไปจะให้บารณะดับไปต้องตรงนั้นตรงนั้นคือตรงจิตของเรา ว่าจิตก็เรายังมีการไปก้าวลงไหมจิตก็เรายังมีการไปเคลื่อนไปตามสิ่งนั้นเคลื่อนไปตามสิ่งนี้ไหมมันมีแน่แต่บอกว่าสิ่งนั้นมันมีแรงดึงสูงเราในที่นี้เราจะให้จิตเข้าใจว่าเอ้ยคุณไม่ต้องไปก็ได้ต้องจับมันให้ได้ซะก่อนแล้วก็พร่ำสอนบอกสอนมันสอนว่าเจ้าจิตคุณคุณไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ได้จิตคุณ คุณไม่ต้องไปก้าวลงเปลี่ยนแปลงไปตามความสุขความทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจากทางตาทางหูจมูกร่างกายหรือใจความคิดนึกนั่นนี่ไม่ต้องปรุงแต่งไปตามก็ได้แต่มันเป็นธรรมชาติของมันทีมันจะปรุงแต่งไปตามก็ก็มันเป็นธรรมชาติที่มันจะมีความเกิดมีความแก่มีความตายไงมันเปลี่ยนแปลงไปในที่นี้เรากําลังสอนเขาว่าคุณคุณไม่ต้องไปก็ได้ ให้เกิดความรู้ขึ้นความรู้นั้นคือวิจาให้จิตของเรามีความรู้คือวิจารเกิดขึ้นว่าเฮ้ยความที่เหนือจากการปรุงแต่งนี่มันมีนะเออทําการปรุงแต่งให้มันดับไปทําความรู้ให้มันเกิดขึ้นเพไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้จะให้ความรู้คือวิจาเกิดขึ้นว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้ก็ต้องมีปัญญา จะใ้มีปัญญาเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีองค์ทำในการตรัสรู้ธรรมในที่นี้คือสมาธิด้วยในที่นี้คือสติด้วยคือสมาธิฏฐิด้วยเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปว่าโอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ของเราละไม่ใช่ตัวตนของเราละแม้จิต น, นี้ก็ไม่ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรา แต่มีการปรุงแต่งตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาจึงนั้นเราอย่าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะมันเป็นของเขาไงมันเป็นของโลกสิ่งใดเป็นของโลกสิ่งใดเป็นของเขาเดี๋ยวเขาก็มาเอาคืนไปเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราในเพราะเรายืมใช้เฉยๆไอ้ที่ยืมใช้อย่าเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของนะพอเราเข้าใจว่าเราไม่ใช่เจ้าของเราเป็นคนยืมใช้ ความแบบยึดถือว่านี่มันจะต้องเป็นของเราเนะี่ยมันมันหายไปมันจะมีความเบื่อหน่ายมันจะมีความพร้อมมันจะมีความไม่ประมาทพร้อมมาเออเดี๋ยวเมันเขาก็าเอาไปน่แะเขามาเอาไปเราก็ต้องให้เขาไปละพร้อมละพร้อมที่จะคืนเขาความยึดถือมันจะลดลงบบาบางลงทำซ้าๆย้ำๆบ่อยๆตุ้มฝังให้เราตั้งสติไวให้เห็นด้วยปัญญา นึกถึงพุทธโธพุทธโธอยู่เป็นประจำในช่วงของจิตตวิเวกที่เป็นการฝึกทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบนั้นจะมาพบกับตะบูฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึงโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้จะโดยมูนิธิปัญญาเปาวนา